ปีติติกะหนึ่งเหตุทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยะจตุกนัยร้อสองสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่โสหรคตด้วยปีติซึงงททซ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุ ปกิดขึ้นเระเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่โสหรคดูเบขาซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สหรคดูเบขาซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สหรคต ด, ด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุ เ, เตกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อ ร้อเหตุปัจจัยมีสิบวาระอรมณปัจจัยมีสิวาระละถึงอวิกตะปัจจัยมีสิบวาระย่อณอธิปติปัจจัยมีสิวาระณบุเรชาตะปัจจัยมีสิวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีสิวาระณอเสวนาปัจจัยมีสิบวาระณวิปากปัจจัยมีสิบวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสิบวาระย่อ เพงขยายสหชาตะวาระและถึงสมยุรตะวาระให้พิสดานเจปัญหาวาระปัจยจยะจตุกนัยเหตุปัจจัยและอรมณปัจจัยเป็นต้นร้อยสสภาวธรรมที่โสหรคคด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่โสหรคคด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่โสหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ah right? แก่สภาวธรรมที่โสหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สหรคดูเบขาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคดูเบขาซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและท ah ี <ti Mot> ่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุ โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระรอยห้าสภาวธรรมที่สหรคด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุโดยรมณะปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุโดยระมณปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ so ่งเป็นเหตุโดยรมะนะปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุโดยรมะนะปัจจัยมีสี่วาระสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุโดยระมะะปัจจัย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 โดยอรมณปัจจัยมีสี่วาระสภาวธรรมที่สหรรคดูเบขาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่โสหรรคดูเบขาซึ่งเป็นเหตุโดยอรมณปัจจัยสภาวธรรมที่โสหรรคดูเบขาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรรคด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุโดยอรมณปัจจัยสภาวธรรมที่โสหรรคดูเบขาซึ่งเป็นเหตุ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 โดยอรรถมณณปัจใจมีสี่วาระสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุโดยอาิปติปัจใจร้อยหเหตุปัจจัยมีสิบวาระอรรถมณณปัจจัยมีสิบหกวาระอธิปติปัจจัยมีสิบหกวาระอนันตระปัจจัยมีสิบหกวาระสมณันตระปัจจัยมีสิบหกวาระ สหชาติปัจจัยมีสิบวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสิบวาระนิสยาปัจจัยมีสิบวาระอุปานิสยปัจจัยมีสิบหกวาระและถึงวิปากปัจจัยมีสิบวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีสิบวาระย่อนัเหตุ ป, ปัจจัยมีสิบหกวาระนัอารมณ์ปัจจัยมีสิบหกวาระย่อ นณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสิบวาระยอ่ออารมณปัจจใจกับณเหตุปัจจใจมีสิบกวาระยอ่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในกุศลติกะนเหตุบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยะจตุกนัยเหตุปัจจัยและอารมณปัจใจร้อยเจ็ดสภาวะธรรมที่สหรโคดด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่สหรโคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่โสหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่สหรโคตด้วยปีติและที่โสหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่โสหรโคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย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 เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใสภาวธรรมที่สหรรคดูเบขาซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สหรรคดูเบขาซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่โสหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใสภาวธรรมที่สหรรคด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุ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 เกิดขึ้นเพราะอรมณะปัจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่โสหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่โสหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะอรมณะปัจจัยมีสามวาระย่อร้อยเก้าเทตุปัจัยมีสิบวาระอรมณปัจจัยมีสิบวาระอธิปติปัจจัยมีสิบวาระอนันตระปัจจัยมีสิบวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบวาระยอ่อนเหตุ ป, ปัจจัยมีสิบวาระาาาณทิปติปัจจัยมีสิบวาระละถึงณชานะปัจจัยมีสองวาระละถึงณวิปยุตตปัจจัยมีสิบวาระย่อเพื่งขยายสหาชาตะวาระละถึงสัมปยุตตะวาระให้พิดาร น, นาเหตุบท 7. ปัญหาวาระ ปัจจยจตุกนัยอาระมะนปัจจัยเป็นต้นร้อยสิบสภาวธรรมที่โสหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุโดยระมะนปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุโดยระมะนปัจจัยสภาวธรรมที่โสหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุ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 โดย ร, รมณปัจจัยสภาะวะธรรมที่โสหรค OK ดูเบขาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่โสหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุโดยรมณปัจจัยสภาวธรรมที่โสหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่โสหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุโดยรมณปัจจัยมีสวาระร้อยสิบเอด สภาวธรรมที่สหรคดด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ awesome. สหรคดด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุโดยที่ปฏิปัจจัยมีสีวาระสภาวธรรมที่สหรคดด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคดด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุโดยที่ปฏิปัจจัยมีสีวาระสภาวธรรมที่สหรโคดดูเบกขาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรโคดดูเบกขาซึ่งไม่เป็นเหตุ โดยที่ปฏิปัจจัยมีสี่วาระสภาวธรรมที่สหรคต ด, ด้วยปิติและที่สหรคต ด, ด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปิติซึ่งไม่เป็นเหตุโดยที่ปฏิปัจจัยมีสี่วาระาร้อยสิบสองสภาวธรรมที่สหรคต ด, ด้วยปิติซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปิติซึ่งไม่เป็นเหตุโดยนนตรปัจจัยละถึง เป็นปัจจัยโดยอุปนิเสียปัจจัยมีสี่วาระสภาวธรรมที่สหรฆด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอุปนิเสียปัจจัยมีสีวาระสภาวธรรมที่สหรฆด้วยเบิขาซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรฆด้วยเบิขาซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอุปนิเสียปัจจัยมีสี่วาระสภาวธรรมที่สหรฆด้วยปีติ และที่สหรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอุปาเสียปัจจัยมีสี่วาระยอ่อ1้อาอารมาณะปัจจัยมีสิบหวาระอธิปฏิปัจจัยมีสิบหวาระอนันตระปัจจัยมีสิบหวาระสมนันตระปัจจัยมีสิหวาระสหชาตจจาะปัจจัยมีสิบวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสิบวาระ นิสัยปัจจัยมีสิบวาระอุปาณิส uh ัยปัจจ totally ัยมีสิหวาระอาเสวณปัจจัยมีสิบวาระกรรมปัจจัยมีสิหวาระอาหารปัจจัยมีสิบวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบวาระย่อนเหตุปัจจัยมีสิหวาระนอารมณปัจจัยมีส at ิหวาระนัอธิปฏิปัจจัยมีสิบหวาระย่อ นัเหตุปัจจัยกับอารมณะปัจจัยมีสิบหกวาระยอ่ออารมณะปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีสิบหกวาระยอ่อเพิ่งขายายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาระในกุศลตึกะ สนเสนะปะหาตถาทึกะหนึ่งเหตุทุกกะหนึ่งถึงเจปฏิจจาวระเป็นต้นปัจยะจตุกนัยร้อยสิบสสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมากเบื้องบนสามซึ่งเป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสามซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสามซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อร้อสิบห้าเหตุตุปัจจัยมีสามวาระทุกปัจจัยมีปัจใจและสามวาระ วิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีสามวาระณทิปติปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระละถึงณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระย่อพึงขยายสหชาตะวาระละถึงสัมยุตตาวาระให้พิจารณ์ร้อสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักซึ่งเป็นเหตุ เป็นปัจจัยแห่สภา ว, ารารวาธววรมวรม ท, ท, ที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักซึ่งเป็นเหตุโดยอรมณปัจจัยย่อร้อยสเจ็หตุปัจจัยมีสามวาระอารมณ์ปัจจัยมีแปดวาระอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระ อนันตรปัจจัยมีห้าวาระสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระสหชาติปัจจัยมีสามวาระอัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระนิสัยปัจจัยมีสามวาระอุปานิสัยปัจจัยมีแปดวาระอสิวะนปัจจัยมีสามวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระมัคราปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึง อวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อนัเหตุปัจจัยมีแปดวาระนอารมณะปัจจัยมีแปดวาระย่อนอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารมณปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีแปดวาระย่อพืงนขยายให้พิจารเหมือนปัญหาวาระในขุศลติกะนัเหตุบทหนึ่งปฏิจจวาระ ปัจญาเจตุกนัยเหตุ of, ปัจจัยและอารมณปัจใจร้อยสิบ ป, gels, atz, ป, ปดสภาวธรร ม, ม, ท, ม ท, ที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักและมักเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักซึ่งไม่เป็นเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคและมัคเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมัคเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมัคเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย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 สภาวธรรมที่ต okay? ้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยสวสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรรคและมรรคเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยย่อร้อสิบ เหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีก้าวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีก้าวาระย่อณนะเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยร้อยยี่สิบสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้งบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุ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 อาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักและมรรคบื้งบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนารมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักและมรรคบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักและมรรคบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนารมณปัจจัยย่อ หนึ่อยเเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอารมณปัจจัยมีหวาระณอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระและถึงนปุเรชาติปัจจัยมีเจวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีเ้าวาระณอเสวณปัจจัยมีเ้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปัสสปัจจัยมีเ้าวาระนอหารปัจจัยมีหนึ่งวาระ นอินทรีย์ปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมะข้าปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระละถึงโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระย่อนอารมณปัจจัยกับเภตุปัจจัยมีห้าวาระย่ออารมณะปัจจัจจยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อพึงขยายสหชาตะวาระ ปัจยวาระนิจวาระสังจัตวาระและมำยุตตาวาร ะ, ะ, ะ, าระให้พิจารเหมือนกับปฏิจจวาระเจ็ดปัญหาวาระปัจยจยจตุกไนร้อยยี่สิบสองสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักซึ่งไม่เป็นเหตุโดยรมณปัจจัย สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะและมรรคบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุโดยระมณปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคบื่อบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุโดยระมณะปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื่องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื่องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุโดยธรรมนัปัจจัยมีสามวาระย่อ23อยยารรมนัปัจจัยมีแปดวาระอธิปฏิปัจจัยมีสิบวาระอนันตระปัจจัยมีเจดวาระสมานันตระปัจจัยมีเจดวาระ สหชาติปัจจัยมีเ้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระนิสัยปัจจัยมีสิบาวาระอุปนิสัยปัจจัยมีแปดวาระภูเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาติปัจจัยมีสามวาระอาสิวุณปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระมหารปัจจัยมีเจดวาระ อินทริยปัจจัยมีเจดวาระชานะปัจจัยมีเจดวาระมรรคปัจจัยมีเจดวาระสัมยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีสิบสาวาระย่อนเหตุปัจจัยมี14วาระนอารมณ์ปัจจัยมี14วาระย่อนัเหตุปัจจัยกับอารมณ์ปัจจัยมีแปดวาระ ยอ่ออะรมณะปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีแปดวาระยอ่อเพึ่งขยายให้พิจารเหมือนปัญหาวาระในกุศลติกะเก้าทัศเนนาปหาตับผ้าเหตุตกะติกะ หนึ่งเหตุตุทุกตะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะยะเจตุกนัยเหตุตุปัจใจร้อยยี่สิบสี่สภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปิมักซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปิมักซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยมักเบื้อมบนสามซึ่งเป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสามซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสามซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจย่อร้อยยี่สิบห้าเหตุตุปัจจัยมีสามวาระ อารามณะปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตตปัจจัยมีสามวาระย่อณทิปติปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระและถึงณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระยอ่อพึงขยายสหาชาตะวาระละถึงสัมปยุตตาวาระให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาระร้อยยี สภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปติมัคซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปติมัคซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีแปดวาระอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระอนันตระปัจจัยมีห้าวาระสมมันตระปัจจัยมีห้าวาระสหชาตะปัจจัยมีสามวาระ อัญญมัญญปัจใจมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีแปดวาระอาใจวะณปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทริยะปัจจัยมีหนึ่งวาระมัคคะปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมยุตตปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระย่อนะเหตุปัจจัยมีแปดวาระ นาอารมณปัจจัยมีแปดวาระยอ่อนาอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่ออารมณะปัจใจกับนาเหตุปัจจัยมีแปดวาระยอ่อพึ่อขยาดให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในกุศลติกะนเหตุบทหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยจยจตุกนัยเหตุปัจใจรอยยี่สิบเจ็ด สภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบืบ่องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักบเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระย่อ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 ณอนะธิปฏิปัจจใจมีเก้าวาระละถึงณปุเรชาติปัจจัยมีเจดวาระละถึงณกรรมปัจจัยมีสามวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระณชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระณมขะปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิพิยุตตปัจจัยมีสามวาระละถึงโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระย่อ ณอารมณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระยอ่ออารมณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อเพึ่งขยายสหาชาตะวาระและถึงสัมยุธตวาระให้พิจารเหมือนกับปฏิจจวาระอารมณะปัจจร้อยสา0สิสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปิมักซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปั จ, จัจแห่สภาวธรรมที่มีเหตุ อันต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักซึ่งไม่เป็นเหตุโดยระมะนปัจจัยม <Enfin> ีสองวาระสภาวธรรมที Boy ่มีเหตุอันต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุโดยระมะนะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอรมณ์ปัจจัยมีสามวาระย่อร้อยสามสิบเอดอรมณะปัจจัยมีแดวาระอธิปติปัจจัยมีสิบวาระละถึงอุปาณิสยปัจจัยมีแดวาระและถึงอวิคตปัจจัยมีสิบามวาระยอ่อนเหตุปัจจัยมีสิบี่วาระ ณอารมณปัจจัยมีสิบสวาระยอ่อนเหตุปัจจัยกับอารมณปัจจัยมีแปดวาระยอ่ออารมณปัจจัยครับณเหตุปัจจัยมีแปดวาร ะ, ย, ระย่อพึงขยายให้พิดารเหมือนปัญหาวาระในกุศลติกะ ปัญาพาเมติกะหนึ่งเหตุทุกะหนึ่งถึงเจ็ปฏิจจวาระเป็นต้นปัญญาเจตุกนยเหตุตุปั จ, จร้อย 32. สามสิบสองสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปั จ, จสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งเป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อร้อยสาสสามเหตุตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระ ทุกปัจัยมีปัจจใจละสามวาระนอาิ ป, ป, า ป, า ป, า ป, าปติปัจจัยมีสามวาระณอเสวนาปัจจัยมีสองวาระนวิปากปัจจัยมีสาวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระย่อณอาทิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยกับณอาทิปติปัจจัยมีสามวาระย่อพึ่อขยายสหชาติวาระละถึงสัมยุตติวาระ ให้พิสดาเหมือนกับปฏิจจวาระเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยเป็นต้นร้อยสามสิบสี่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งเป็นเหตุด้วยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นเหตุโดยอารมณะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ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 ร้อสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณธิปติและสหชาตาธิปติสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งเป็นเหตุโดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียว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 สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรธธรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นเหตุโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งเป็นเหตุโดยอนันตระปัจจัย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 ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งเป็นเหตุโดยอนันตระปัจจัยยอ่อร้อยสามสิบเจ็ดเหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมีหกวาระอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระอนันตระปัจจัยมีห้าวาระสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระสหชาตะปัจจัยมีสามวาระ อัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระนิสียปัจจัยมีสามวาระอุปานิสียปัจจัยมีแปดวาระอายเสวะปัจจัยมีสามวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียะปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อณเหตุปัจจัยมีแปดวาระ นะอารรมณะปัจใจมีแดวาระยอ่อนะอารมณะปัจใจกับเหตุตุปัจใจมีสามวาระยอ่ออารมณะปัจใจกับนะเหตุตุปัจใจมีหกวาระ ย, าย่อพืงขยาให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในขุสละตึกะนะเหตุบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจยะจตุกนายเหตุตุปัจใจและอารมณะปัจใจร้อยสามสิบปด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 และที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุตินิพานซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพานซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพานซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพานซึ่งไม่เป็นเหตุ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 ละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระย่อนเหตุต ป, ปัจจัยและอารมณะปัจใจร้อยสี่สิบสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนเหตุต ป, ปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนอารรมณปัจจัยย่อร้อยสี่เอ็ดนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอารรมณปัจจัยมีห้าวาระณอทิปติปัจจัยมีหกวาระณัปุเรชาตะปัจจัยมีเจดวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีห้าวาระ นอาศัยวณปัจจัยมีเจดวาระนกกรรมปัจจัยมีสามวาระนะวิปากาปัจจัยมี9้าวาระนะอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนะอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนัฌานปันจจัยมีหนึ่งวาระนะักมฆาปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระละถึงโนวิคตาปัจจัยมีห้าวาระย่อ ณอารมณปัจจัยกับเภตุปัจจัยมีห้าวาระยอ่ออารมณะปัจจัยขับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อพึ่อขยายสหาชาติวาระละถึงสัมยุตตาวาระให้พิจารเหมือนกับปฏิจจวาระเจปัญหาวาระปัญญะจตุคไนร้อยสี่สิบสองสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งไม่เป็นเหตุ เป็นปัจ e ปจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งไม่เป็นเหตุโดยระมณะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุโดยระมณะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งไม่เป็นเหตุ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 สภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอนันตรปัจ <aries> <ô come et cetera> จัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เ <ột> ป <Nokia openings suddenly> <pour> ็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอนันตรปัจจัย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 อารามณะปัจจัยมีเจดวาระอัธิปฏิปัจจัยมีสิบวาระอานันตระปัจจัยมีหกวาระสมณันตระปัจจัยมีหกวาระสหชาตะปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญะปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสิบสาวาระอุปาณิสยปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาติปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาติปัจจัยมีสามวาระ อาไสวณปัจจัยมีสามวาระกรมมปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอหาระปัจจัยมีเจดวาระอินทรียปัจจัยมีเจดวาระชาณะปัจจัยมีเจดวาระมัคคาปัจจัยมีเจดวาระสำยุตตะปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระย่อ นัเหตุปัจจัยมีสิบห้าวาระนั่นอรมณปัจจัยมีสิบห้าวาระยอ่อนัเหตุปัจจัยกับอารมณปัจจัยมีเจ็ดวาระยอ่ออารมณปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระยอ่อพึงขยายให้พิจาดาาเหมือนปัญหาวาระในกุศลติกะ